ก็เพราะเหตุไรพระไทยของพระพุทธองค์จึงน้อมไปอย่างนี้เล่าพึงทราบว่าจิตของพระพุทธองค์น้อมไปแล้วอย่างนั้นด้วยเหตุต่างต่างแม้ด้วยการพิจารณาด้วยอนุภาพปัจเวกขณะยานเมื่อพระองค์บรรลุพระสัพพัญญตญาณแล้วพิจารณาความที่สัตว์ลกชัดไปด้วยกิเลสและความที่พระธรรมเป็นของลึกซึ้ง ความที่สัตว์ลกชัดไปด้วยกิเลสและความที่พระธรรมเป็นของลึกซึง้งก็ปรากฏโดยอาการทั้งปวงอีกอย่างหนึ่งความปริวิตกทางใจนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแต่พระพุทธเจ้าของเราแต่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อีกอย่างหนึ่งเมื่อความปริวิตกนี้เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเท้ามหาพรหมผู้ใหญ่ในจักรวาล ก็จะทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมชันใดชันนั้นเหมือนกันเมื่อความปริวิตกนี้เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าของเราสหามบดีพรมก็ทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าเมื่อจิตของเราน้อมไปเพื่อความเป็นผู้ขนขวายน้อย สหามบรีพมจากวิงวอนเราเพื่อขอให้แสดงธรรมก็สัตว์เหล่านี้เป็นผู้เคารพพรหมเมื่อรู้ว่ามีข่าวว่าพระศาสดาไม่มีพระประสงค์จะแสดงธรรมแก่พวกเราทีนั้นสหามบรีพมทูลวิงวอนพระองค์ให้แสดงแล้วผู้เจริญทั้งหลายพระธรรมสงบหนอประนีตหนอดังนี้ จักตั้งใจฟังดังนี้พึงทราบว่าอาศัยเหตุนี้จิตของพระพุทธองค์จึงน้อมไปเพื่อความขนไหวยน้อยมิได้น้อมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรมแม้ครั้งที่สองสหมบดีพรมนั้นก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรมในโลกนี้สัตว์ที่มีกิเลสเพียงดังทุรีในปัญญาจักสุเบาบางยังมีอยู่เพราะมิได้ฟังธรรมสัตว์เหล่านั้นจึงเสื่อมเสียไปขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมผู้ที่รู้ทั่วถึงธรรมได้ยังจักมีเมื่อสหามบดีพรมกลาทูลเช่นนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดแสดงแม้ครั้งที่สองว่าเพราะเหตุใดจิตของพระพุทธองค์จึงน้อมไปเพื่อความขนขวายน้อยมิได้น้อมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรมแม้ครั้งที่สามสหามบดีพรมก็ได้ทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทรงทราบการทูลเชิญของพรหมแล้วทรงอาศัยพระกรุณาในหมู่สัตว์จรึงได้ทรงตรวจดูโรคด้วยพุท ธ, ธจักสุก็ได้ทรงเห็นหมู่สัตว์บางพวกมีกิเลสเพียงดังทุรีในปัญญาจากสุน้อยบางพวกมีกิเลสเพียงดังทุรีในปัญญาจากสุมากบางพวกมีอินทรีย์แก่กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อน บางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการสามบางพวกจะพึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายบางพวกจะพึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากบางพวกเป็นพับพัสตัตบางพวกเป็นอัพับพสตัตบางพวกมีปกติเห็นปอลโลกและโทษว่าเป็นภัยอยู่เปรียบเหมือนในกออุบลก็ดีในกอปทุมก็ดี ในกบุญทริกก็ดีดอกอุบลก็ดีดอกปฐุมก็ดีดอกบุญทริกก็ดีบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญแล้วในน้ำอาศัยอยู่ในน้ำจมอยู่ในน้ำอันน้ำเลี้ยงอยู่บางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญแล้วในน้ำตั้งอยู่เสมอน้ำบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำ จเจริญแล้วในน้ำตั้งขึ้นพ้นน้ำอันน้ำไม่ติดแล้วแม้ฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจ ด, ดูหมื่นโลกธาตุซึ่งเป็นเสมือนดงบัวเป็นต้นด้วยพุทธจักสุได้ทรงเปรียบดอกบัวดังบุคคลสี่จำพวกดังนี้ 1. ดอกบัวที่โผล่ขึ้นพ้นน้ำ ย่อมรอคอยสัมผัสลัศมีพระอาทิตย์ซึ่งจะบานในวันนี้ได้ทรงเห็นว่าอุคติตันยูเหมือนดอกบัวที่จะบานในวันนี้สองดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอน้ำซึ่งจะบานในวันพรุ่งนี้ได้ทรงเห็นว่าวิปจิตันยูเหมือนดอกบัวที่จะบานในวันพรุ่งนี้สดอกบัว ที่ยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ใต้น้ำอันน้ำหล่อเลี้ยงไว้จะบานได้ในวันที่สามได้ทรงเห็นว่าเนยะเหมือนดอกบัวที่จะบานในวันที่สามส่ 4. ส่วนดอกบัวที่อยู่ในสระเป็นต้นแม้เหล่าอื่นอยู่ใต้น้ำยังมีอยู่เหล่าใดจกไม่บานเหล่านั้น จะเป็นพักษาของปลาและเต่าเท่านั้นปะทะปาระมะเหมือนดอกบัวที่เป็นพักษาของปลาและเต่าอัตถกถาปาศราสิสูตรและอัตถกถาอายจนสูตรอธิบายว่าดอกบัวเหล่าที่จะไม่บานนี้มิได้ยกขึ้นสู่บาลีแต่ท่านนํามาแสดงไว้ก็พึงแสดงเหมือนอย่างว่า ดอกบัวสีอย่างเหล่านั้นฉันใดบุคคลสี่จำพวกคืออุคติตันยูวิปจิตันยูเนยยะปทะปาระมะก็ฉันนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงเห็นก็ทรงเห็นโดยอาการทั้งปวงอย่างนี้ว่าสัตว์มีประมาณเท่านี้มีกิเลสดุจธุรีในปัญญาจากักษุน้อยสัตว์มีประมาณเท่านี้ มีกิเรตดุทุรีในปัญญาจักสุมากบรรดาสัตว์แม้เหล่านั้นสัตว์เหล่านี้เป็นอุคติตันยูดังนี้เป็นต้นในบุคคลสี่ประเภทนั้นพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมให้สำเร็จประโยชน์ในอัตภาพนี้แก่บุคคลสามประเภทแรกเท่านั้นในจำนวนบุคคลเหล่านั้นปทาป ร, ะประมะ ย่อมเป็นวาสนาอบรมบ่มบารามีเพื่อสำเร็จประโยชน์ในอนาคตตการข้างหน้าความต่างการแห่งบุคคลสี่จำพวกมีดังนี้ 1. อุคติตันยูเป็นบุคคลผู้สามารถตัดสรุ้ธรรมพร้อมกับเวลาที่ท่านยกหัวข้อธรรมขึ้นแสดงพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเทระ เป็นตัวอย่างของอุคติตันยูท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันในขณะที่ฟังพระอาศชิเทระกล่าวคาถาสั้นๆยังไม่ทันจบบาทที่สองจากสี่บาทดังนั้นเชิญท่านฟังคาถานี้ในบนัดนี้และดูว่าท่านสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ในขณะนี้ไหมถ้าท่านบรรลุได้เดี๋ยวนี้อัตมาจะมีความสุขมากๆ ท่านพระอัสชิเทระได้กล่าวทำปริยายแก่สารีบุตรปริภาชกดังนี้เยธามมาเหตุปัปพวารำเหล่าใดเกิดแต่เหตุเตสังเหตุตุงตถาคตโตอาหะภาตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรำเหล่านั้นเตสัญจะโยนิโรโทและความดับแห่งธรรมเหล่านั้น เอวังวาทีมหาสามนโนติพระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้สารีบุตรปริภาชคได้ดวงตาเห็นธรรมคั้นได้ฟังธรรมปริยายนี้ดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุรีปราศจากมทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวล มีความดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดขึ้นแก่สารีบุตรปริภาชกหลังจากได้ฟังเพียงเยธรรมมาเหตุ ป, ปุปปภาวเตสังเหตุตุงตถาคโตท่านสารีบุตรก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนถึงคำว่าอาหะปัญหากรรมของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรในที่สุดอสงไขยกับยิ่งด้วยแสนกับ นับแต่กับนี้ท่านภาษารีบุตรบังเกิดในครอบครัวพราหมาศาลชื่อสระทะมานกต่อมาสระทรัพธรรมหาทานแก่คนกัมพาคนเดินทางไกลว่านิพกและยาจกทั้งหลายแล้วบวชเป็นลือีมีเชรินเป็นบริวารเจ็ดหมื่นสี่พันรูปสระทะดาบทสอนอภิญญาห้า สมาบัแปดให้บางเกิดแก่ชรินทุกรูปสมัยหนึ่งพระโนมัทศีพุทธเจ้าเสด็จไปหาสระทะดาบทสระทะดาบทได้ถวายอาสนะดอกไม้และยืนกั้นฉัดดอกไม้ถวายสักการะตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนด้วยปิติและสุขแม้ภิกขาจาร์ก็ไม่ไป จนพระพุทธเจ้าทรงออกจากนิโรธสมาบัติและพระศาสดาได้ตัดเรียกพระอัครสาวกสแสดงธรรมและพระศาสดาจึงทรงสแสดงธรรมในเวลาจบเทศนาชรินเจ็0 0พันรูปบรรลุพระอรหันต์เว้นแต่สระทัดาบทซึ่งไม่อาจทำให้แจ้งมักผลเพราะเกิดความคิดขึ้นว่าแม้เรา ก็พึงได้หน้าที่ที่พระอัครส า, าวกนี้ได้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้จะเสด็จอุบัติขึ้นในอนาคตจึงได้ทำความปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์กั้นฉัดดอกไม้ตลอดเจ็ดวันกระทำศั ก, กระนี้ใดด้วยผลของศั ก, กระนี้ขอให้ข้าพระองค์พึงเป็นพระอัครส า, าวก ของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเหมือนพระนิสพระเถระนี้พระพุทธเจ้าอนมัติสีทรงตรวจดู ด, ด้วยอนาคตังสยานว่าความปรารถนาของสรธดาบทนี้จกสำเร็จไหมนอก็ได้ทรงเห็นว่าล่วงไปหนึ่งอสงไรยิ่งด้วยแสนกลับจะสำเร็จจึงตัดกะสรธดาบทว่าในอนาคต ล่วงไปหนึ่งอสงไขยิ่งด้วยแสนกับนับจากพัทธกับนี้ไปท่านจักเป็นพระอัครสาวกนามว่าพระธมเสนาบดีสารีบุตรของพระโคตมะพุทธเจ้านอกจากนี้พระพุทธเจ้าของเราได้ตัดว่าสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาแต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นหามิได้ ในอดีตการแม้เธอบวชเป็นฤาษีห0 0อ500ชาติก็ได้เป็นผู้มีปัญญามากเหมือนกันเพราะเหตุนี้แหลพระสารีบุตรเถระจึงเป็นอุคติตันยูในชาติสุดท้ายเราจำต้องเข้าใจเหตุผลแห่งการตัดสรุธรรมได้เร็วโดยชนในสมัยพุทธกาลในยุค ป, ปัจจุบันผู้คนโต้แย้งกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ บางท่านถึงกับเชื่อว่าไม่จำเป็นต้องปฏิบัติธรรมพวกเขาเพ้อฝันว่าคนสมัยใหม่ก็สามารถบรรลุธรรมที่ลึกซึ้งได้โดยเพียงแต่ฟังธรรมคนเหล่านี้ยกกรณีต่างๆที่เกิดในสมัยพุทธกาลมาปกป้องความคิดของตนถ้าเช่นนั้นเพราะเหตุใดจึงไม่เป็นดังนั้นในขณะนี้เราพบคาตอบ ในอัธกถาปฏิสัมพิามักอธิบายว่าสาวกรุ่นแรกๆของพระบรมศาสดาสามารถตัดสรู้พระธรรมได้เร็วมากเนื่องจากท่านเหล่านั้นได้สั่งสมเหตุต่างๆมาแต่หลายๆอดีตชาติดังต่อไปนี้ปฏิสัมพิาย่อมผ่องใสด้วยเหตุหประการเป็นชะไหนปฏิสัมพิา ปัญญาแตกฉานย่อมผ่องใสด้วยเหตุหประการคือก็ด้วยปริยัติพระพุทธพจน์ชื่อว่าปริยัติก็ปฏิสัมพิทาของผู้เรียนพระพุทธพจน์นั้นย่อมผ่องใสขอด้วยสวณนะการฟังพระสัจธรรมชื่อว่าสวณนะก็ปฏิสัมพิทาของผู้สนใจเรียนธรรมโดยเคารพย่อมผ่องใส คอด้วยปริปุจชากระถาเป็นเครื่องวินิจฉัยคันธีบทและอัถบทในพระบาลีและอัถกะถาเป็นต้นชื่อว่าปริปุจชาก็ปฏิสัมพิทาของผู้ที่สอบสวนอัดในพระพุทธพจน์ทั้งหลายมีพระบาลีเป็นต้นที่ตนเรียนแล้วย่อมผ่องใสงอด้วยปุพพโยคะ การบำเพ็ญเพียรในสมถวิปัสสนากรรมฐานอยู่เนืองๆจนกระทั่งถึงสังขารุเปกขายานอันเป็นที่ใกล้อนุโรมยานและโคตละภูญานเพราะความที่การบำเพ็ญสมถวิปัสสนานั้นอันพโยคาวจรเคยปฏิบัติแล้วปฏิบัติเล่ามาในาศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆชื่อว่าปุพพโยคะ ก็ปฏิสัมพิธาของผู้บำเพ็ญเพียรมาแล้วในปางก่อนย่อมผ่องใสเป็นเพราะเหตุสีประการเหล่านั้นชนในสมัยพุทธกาลจึงสามารถบรรลุธรรมอันลึกซึ้งได้เร็วมากในชาติสุดท้ายของท่านเหล่านั้นและเนื่องจากการสั่งสมเหตุสีประการนี้มาโดยบริบูรณ์จึงก่อให้เกิดผลนี้คือจด<อ>ด้วยอธิคม ในเหตุห้าประการเหล่านั้นการบรรลุพระอรหันต์ชื่อว่าอธิคมก็ปฏิสัมพิทาของผู้บรรลุพระอรหันต์ย่อมผ่องใสปฏิสัมพิทาย่อมผ่องใสด้วยเหตุห้าประการเหล่านี้ด้วยประการชนีดตอนนี้เราได้ทราบว่าชนผู้ได้สั่งสมบารมีมาโดยสมบูรณ์ได้แก่การเชี่ยวชาญในปริยัต การฟังพระศิษธรรมสวนะการสอบสวนอัดในพระพุทธพจน์ทั้งหลายปริปุชชาและการบำเพ็ญเพียรมาแล้วในปางก่อนๆปุพพโยคะจึงสามารถได้บรรลุมักคยานและผลยานได้อย่างรวดเร็วบางครั้งหลังจากการสดับเพียงคาถาที่สั้นมากในบรรดาบารมีเหล่านี้ปุพพโยคะ เป็นปัจจัยมีกำลังยิ่งเนื่องจากการบาเพ็ญเพียรในสมถะวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธสาวกรุ่นแรกๆนั้นได้เคยปฏิบัติแล้วปฏิบัติเล่ามาในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ อ, อยู่เนืองๆจนกระทั่งถึงสังขารูปเปกขายานอันเป็นที่ใกล้อนุโรมยานและโคตรละภูยาน ท่านเหล่านั้นได้บรรลุวิปัสนาญาณขั้นสูงอันใกล้มากต่อมัคคยานและผลญาณมาแต่ปางก่อนๆโดยขณะที่ท่านเหล่านั้นไปบินทบาทท่านก็จะเจริญกรรมฐานขณะเดินกลับท่านก็เจริญกรรมฐานพุทธสาวกรุ่นแรกๆนั้นได้เคยบำเพ็ญเพียรในสมถะวิปัสนา มาแต่ปางก่อนมากมายหลายชาติดังนั้นในชาติสุดท้ายเพียงได้สดับธรรมสั้นๆก็พอเพียงให้ท่านเหล่านั้นเห็นแจ้งพระนิพพานตอนนี้เราทราบหรือยังว่าเราไม่ใช่เป็นอุคติตันยูหรือผู้ที่สามารถตัดสรุธรรมอันลึกซึ้งได้พร้อมกับเวลาที่ท่านยกหัวข้อธรรมขึ้นแสดง 2. วิปจิตันยูเป็นบุคคลผู้ตัดสรุ้ธรรมในเมื่อท่านจำแนกอาจแห่งธรรมที่กล่าวโดยย่อให้พิสดารท่านจำปัญจวัคคีห้าท่านผู้อุปการะทำรรวัดปฏิบัติบำรุงพระโพธิสัตว์ในระหว่างทรงบำเพ็ญทุกกรกริยาถึงหปีที่อุรุเวลาได้ไหมตอนนี้ ท่านจำได้แล้วใช่ไหมเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงเลิกบำเพ็ญทุกระกิริยาเพราะอริยธรรมไม่อาจแทงตลอดด้วยทุกระกิริยาจึงทรงทำภรกกายให้อบอิ่มด้วยการเสวยอาหารหยับหยากปัญจวัคคีก็หลีกหนีจากพระโพธิสัตว์เมื่อพระโพธิสัตว์ได้ตัดสรู้เป็นพระอรหันตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์ ทรงตรวจดูบุคคลผู้มีกิเลสดังทุรีในปัญญาจักษุน้อยโดยการสั่งสมบารมีจึงทรงทราบว่าอาลาดาดาบทการามโคดและอุทะกาดาบทดรามบุรเป็นผู้มีทุรีในปัญญาจักษุน้อยแต่ทั้งสองท่านได้ทําการะไปเกิดในอารูปปภพจึงเป็นผู้เสื่อมจากมรรคผลเพราะไม่มีโสตประสาท ประสาทหูที่จะฟังธรรมเว้นแต่พระัญญากลทัญญาเถระแล้วก็ไม่มีคนอื่นๆที่จะสามารถทำให้แจ้งธรรมได้ก่อนในพุทธเขตนี้เพราะเหตุไรปัญหากรรมของพระัญญากลทัญญาเถระครั้งนั้นพระเถระนี้บังเกิดในตระกูลค้รหาบดีมหาศาลกุงหังสาวดีสมัยนั้น พระพุทธเจ้าปทุมุตตะทรงสถาปนาพิสุรูปหนึ่งผู้แทงตลอดทมก่อนในพระศาสนาของพระองค์ไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะกุลบุตรนั้นได้สดับเหตุนั้นแล้วได้ถวายข้าวสาลีหอมมีแกงและกับข้าวต่างๆมีข้าวยาคูและของเคี้ยวอันวิจิตเป็นบริวารแด่พระพุทธเจ้าปทุมุตตะและพิสุ หนึ่งแสนรูปถวายมหาทานตลอดเจ็ดวันติดต่อกันในเวลาเสจพัตกิจได้เปิดคางผ้าวางผ้าเนื้อละเอียดอย่างดีเยี่ยมไว้ใกล้พระบาทแห่งพระพุทธเจ้าให้พิสุหนึ่งแสนรูปคลองไตจีวรแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงเป็นผู้สามารถบวชในาศาสนา ของพระพุทธเจ้าพูดจะเสด็จอุบัติในอนาคตแล้วรู้แจ้งได้ก่อนเหมือนพิสุจน์นี้พระศาสดาได้ทรงตรวจ ด, ดูและเห็นว่าความปรารถนาของกุลบุตรนี้จกสำเร็จในอนาคตลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดกะกุลบุตรนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนกุลบุตรผู้เจริญ ในอนาคตในที่สุดแสนกลับพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกท่านจักดำรงอยู่ในโสดาปติผลอันถึงพร้อมด้วยนายพันนายพร้อมด้วยพรมสิบแปดโกรดเวลาจบพระธรรมจักรกับปะวัตนาสูตรอันมีวนรอบสามมียาณทัศนะตามเป็นจริง ในอริยสัทย์ทั้งสรวมเป็นส2องยานัศนะด้วยการแสดงธรรมครั้งแรกของพระโคตมะพุทธเจ้าเมื่อการล่วงไป 99, 9 9 9า9กับในท้ายกับที่91จากพัทกับนี้กุลบุตรนี้เกิดเป็นกุลุมพีคนมั่งคัง่งชื่อว่ามหาการในรามคาม ใกล้ประตูกรุงพันทุมาดีกุรุมพีมหาการได้ถวายมหาทานข้าวอันเลิศตามข่าวเก้าครั้งในฤ ด, ดูข้าวฤดูเดียวแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าและพิสุหกร้านแปดหมื่นรูปได้แ ก, ดก่ในเวลาหว่านได้ถวายเมล็ดข้าวอันเลิศในเวลาหวานในเวลาที่ข้าวสารีตั้งท้อง ก็ผ่าท้องข้าวสารีเอาไปเคี่ยวด้วยน้ำนมไม่ผสมใส่ของอร่อยสี่ชนิดแล้วถวายแดดพิสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานที่ที่ฉีกท้องข้าวสารีนั้นแล้วถือเอาถือเอาก็กลับเต็มอีกในเวลาเป็นข้าวเมาได้ถวายส่วนเลิศในข้าวเมาในเวลาเก็บเกี่ยวก็ถวายส่วนเลิศในข้าวเกี่ยว ในเวลาทําขเนตก็ถวายส่วนเลิศในข้าวขเนตในเวลามัดเป็นฟ่อนก็ถวายส่วนเลิศในข้าวฟ่อนเวลาขนข้าวเข้าวลานก็ถวายส่วนเลิศเวลาขนข้าวเข้าวลานในเวลานวดก็ถวายส่วนเลิศในข้าวนวดในเวลาเข้าขึ้นยุง้งก็ถวายส่วนเลิศในข้าวขึ้นยุง้งได้ถวายทานข้าวอันเลิศตามข่าวเก้าครั้ง ในฤดูข้าวฤดูเดียวดังกล่าวมาชนนี้ข้าวก้าแม้นั้นก็คงยังตั้งขึ้นเหลือเฟือ่อท่านทำกรรมงามตามทำนองนั้นแหลตราบเท่าที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่และตราบเท่าที่พระสงฆ์ยังมีอยู่เพราะเหตุนี้แลเว้นแต่พระอัญญากลทัญญะเทระแล้วก็ไม่มีคนอื่นที่จะสามารถ ทำให้แจ้งทมได้ก่อนในพุทธเขตนี้พระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมจักแก่ปัญจวัคคีพระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปหาปัญจวัคคีในวันอาสาฬหะเพื่อทรงแสดงปฐมเทศนาคือพัรมเทศนาครั้งแรกซึ่งทรงประกาศธรรมจักแก่ปัญจวัคคีท่านจําชื่อพระสูตรนั้นได้ไหมธรรมจัก ปะวัตนาสูตรพระสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อธรรมในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโดยพิสดารทำให้พระกลนทัญญะเป็นกายสักขีเวลาจบพระสูตรพระเทระตั้งอยู่ในโสดาปติผลพร้อมด้วยพรมส8บปโกรดพระอาทิตย์ยังไม่ทันอัสดงคตเทศนาจบลงแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าจําพรรษาในป่าอิสิปตนะมฤคทยวันนั่นเองไม่เสด็จแม้เพื่อบินธบาตตั้งแต่วันปฏิบต์แลมค่ําหนึ่งเพื่อจะทรงชําระมนชินที่เกิดขึ้นในกรรมฐานของพิสุทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ประทับอยู่ภายในพระวิหารเท่านั้น พิสุเหล่านั้นได้ไปยังสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามถึงบนทินของพระกรรมฐานที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังที่ที่พิสุเหล่านั้นนั่งเมื่อทรงกล่าวสอนพิสุสองรูปพิสุสามรูปก็เที่ยวไปบินทบาททั้งหฉันบินทบาทที่พิสุสามรูปนามา เมื่อทรงกล่าวสอนพิสุสามรูปพิสุสองรูปก็เที่ยวไปบินธบาต ท, ทั้งหฉันบินธบาต ท, ที่พิสุสองรูปนำมาครั้งนั้นพวกพิสุปัญจวัคคีอันทรงประทานโอวาทะอนุสาสตอยู่อย่างนี้ลำดับนั้นพระวัปปะเถระได้เป็นพระโสดาบันในวันปฏิบทแรมค่ำหนึ่งพระพัทิยะเถระ แลมสองค่ำพระมหานามะเทระแลมสามค่ำและพระอาสชิเทระแลมสี่ค่ำในวันแลมห้าค่ำของปักพระพุทธเจ้าให้พระโสดาบันห้าท่านเหล่านั้นประชุมรวมกันแล้วตรัสเทสนาอ น, ตนาตตะรักณะสูตรเวลาจบพระสูตรพิสูทั้งห้าตั้งอยู่ในพระอรหั ต, ตผลพระเทระทั้งห้าท่าน เป็นบุคคลประเภทที่สองคือวิปจิตััอยูในปัจจุบันมีหลายท่านได้สดับหรือได้อ่านธรรมาจักกะปะวัตนสูตรแล้วท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบันหรือยังถ้ายังไม่ได้บรรลุเราก็สรุปได้แน่ว่าเราไม่ใช่เป็นบุคคลประเภทที่สองวิปจิตัญญูผู้สามารถตัดสรุธรรม ในเมื่อท่านจำแนกอัดแห่งธรรมที่กล่าวโดยย่อให้พิสดาร 3. เนยยะเป็นบุคคลผู้ไม่อัดตัสรู้ธรรมขณะที่ท่านยกหัวข้อธรรมขึ้นแสดงหรือเมื่อท่านแจกแจงธรรมโดยพิสดารแต่ต้องเจริญไตสิกขาได้แก่ศีล ส, สมาธิปัญญาทีระขั้นอย่างเป็นระบบ ก็จักสามารถตัดสรุ้อริยสัจ ส, สีและเห็นแจ้งพันนิพันธ์ได้ในอัตภาพนี้อัตมาเชื่อว่าหลายท่านที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นบุคคลประเภทที่สในปัจจุบันนี้บุคคลประเภทแรกและประเภทที่สองไม่มีเหลืออยู่ที่ใดในโลกนี้แล้วอย่างไรก็ตามมีเนยยะบุคคลมากมาย มีชีวิตอยู่ในหมู่พวกเราในสมัยนี้เนยยะบูคคลต้องเล่าเรียนพระพุทธพจน์ต้องสอบถามอัดที่ยากในพระบารีและอัตกถาต้องใส่ใจโดยแยบคายในธรรมที่ได้ศึกษาแล้วต้องซ่องเสพคบหาและอยู่ใกล้กระยาณมิตรครูและต้องบำเพ็ญเพียรในสมถะวิปัสสนากรรมฐานจึงจะสามารถ ตัสรู้ทมไปตามลำดับขั้นตอนนี้กล่าวไว้ในอัตถกถาอุคติตันยูสูตรการคบหากะรยานมิตรเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งแม้ว่าเราไม่มีความรู้ในพระพุทธพจน์และอัตถกถาแต่ถ้าเรามีกะรยานมิตรผู้สามารถนำให้เราเจริญไตสิกขาได้อย่างสมบูรณ์เพียงปัจจัยนี้ก็นำเรา ให้ถึงพระนิพานได้ดังที่พระพุทธเจ้าตัดในอุปัฏฐาสูตรว่าความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นพรมจันทร์ทั้งสิ้นทีเดียวดูก่อนอานน์อันพิสุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองแปดจากกระทําให้มาก ซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปและในเมคิยสูตรว่าดูก่อนเมคิยะพิสุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังข้อนี้ได้คือตอนจักเป็นผู้มีศีลสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายตนจักได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบาก ซึ่งกรถาอันเป็นไปเพื่อขัดเกาากิเลสเป็นที่สบายในการเปิดจิตคืออัปิชะกะถาวิมุตติยาณทัทสนะกะถาตนจากปารบความเพียรไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมตนจากมีปัญญาให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจ ด, ดูโรคด้วยพุทธจักษุ ทรงเห็นหมู่สัตว์ซึ่งมีกิเลสดุจทุรีในปัญญาจักษุน้อยก็มีมีกิเลสดุจทุรีในปัญญาจักษุมากก็มีมีอินทรีย์แก่ก้าก็มีมีอินทรีย์อ่อนก็มีมีอาการดีก็มีมีอาการเลวก็มีจะพึงสอนให้ตัดสรู้ได้ง่ายก็มีจะพึงสอนให้ตัดสรู้ได้ยากก็มี บางพวกมีปกติเห็นปรโรคและโทษว่าเป็นภัยอยู่ก็มีอัตถกถาอาญาจนะสูตรอธิบายว่าบุคคลผู้มีปัญญาชื่อว่ามีปกติเห็นปรโลกพบหน้าและโทษว่าเป็นภัยกิเลสทั้งหมดชื่อว่าโทษทุจริตทั้งหมดชื่อว่าโทษอภิสังขารบุญบาป อรูปปชาญสี่ทั้งหมดชื่อว่าโทษกรรมที่นําสัตว์ไปสู่ภพทั้งหมดชื่อว่าโทษความสำคัญว่าในโลกนี้และในโทษนี้เป็นภัยทั้งหมดปรากฏเหมือนเพชฌฆาตเงื้อดาบบุคคลผู้สามปัญญาชื่อว่าไม่เห็นปรลโลกและโทษว่าเป็นภัยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่า พธรรมเทศนาจะนำประโยชน์มาแก่บุคคลสี่จำพวกแล้วจึงตัดลับเท้าสหามบดีพรมด้วยคาถาว่าดูก่อนพรมเราเปิดประตูอมตะนิพพานแล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายผู้มีโสตะจงปล่อยศรัทธามาเถิดเราสำคัญว่าจะลำบากจึงมิได้กล่าวธรรมอันประณีสูงสุดที่ชํานิชํานานในหมู่มนุษย์ พระพุทธเจ้าทรงเปิดประตูสู่อมตะนิพพานแล้วเราต้องมอบศรัทธาของเราต่อคุณพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์หากไม่มีศรัทธาแล้วการบรรลุพระอริยมรรคมันเป็นประตูสู่พระนิพพานก็มิใช่ฐานะที่จะมีได้เพราะการไม่มีศรัทธาในคุณพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์เราอาจคิดว่า เป็นไปได้จริงหรือว่าแค่ตั้งจิตที่ลมหายใจก็ทำให้บรรลุอัปปนาสมาธิได้เป็นไปได้จริงหรือที่จะเห็นแสงได้โดยทำแค่ตั้งจิตที่ลมหายใจเข้าออกความคิดเหล่านี้เป็นสิ่งลบกวนและทำให้เกิดความลังเลสงสัยถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นพวกที่ไม่มีศรัทธามักจะหยุดเจริญกรรมฐานจิตเต็มไปด้วยความลังเลสงสัย และในไม่ช้าก็จะฟุ้งซ่านและบ่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ความลังเลสงสัยที่ฟุ้งไปนั้นยับยั้งการเกิดขึ้นแห่งประโยชน์อันจะพึงได้ในชีวิตของพวกเขาเพราะเหตุนี้พระทศพลจึงตัดว่าผู้มีโสตะจงปล่อยศรัทธามาเถอเราสำคัญว่าจะลำบากจึงไม่ได้กล่าวทมอันปานนี่สูงสุด ที่ชำนิชำนานในหมู่มนุษย์เราทราบแล้วว่าเมื่อเรกตัสรู้พระศ า, าสดามิได้น้อมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรมในที่สุดหลังจากที่เท้าสหามบดีพรมทูลวิงวอนเป็นครั้งที่สาพระทศพลจึงทรงรับคำอาราธนาของเท้าสหามบดีพรมด้วยพระมหากรุณาไม่มีประมาณต่อสัรพสัต์ พระศาสดาทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุและได้ทรงเห็นบุคคลประเภทที่หนึ่งที่สองและที่สซึ่งอัตตมาได้ให้อธาธิบายแก่ท่านแล้วตอนนี้อัตตมาจะอธิบายบุคคลประเภทที่ส 4. ปัทปร a มะบุคคลใดฟังมากก็ดีกล่าวมากก็ดี ทรงจำมากก็ดีสอนมากก็ดีก็ยังไม่ตัดสรุ้ธรรมในชาตินั้นบุคคลนี้ท่านเรียกว่าปทาปารมะเป็นผู้ที่จะทำได้อย่างมากที่สุดคือการเข้าใจแต่เพียงระดับถ้อยคำหรือบทแห่งธรรมแม้ว่าเขาจะเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาทีละขั้นอย่างเป็นระบบ หรือแม้ว่าจะได้ฟังอาจแห่งธรรมไม่ว่าจะโดยสังเขปหรือโดยพิสดารก็ไม่อาจตัดสรุ้อริยสัจ ส, สี่ไม่อาจเห็นพระนิพพานในชาตินี้แต่ความอุตสาหะทั้งมวลย่อมเป็นวาสนาอบรมบารมีเพื่อการทำให้แจ้งสัจิกิริยาและการสำเร็จมากผลทำมาพิสมัยในอนาคตการ การปฏิบัติที่เขาสั่งสมในชาตินี้ย่อมจะเป็นสมบัติอันเขานำติดตัวไปได้ดุจสะเบียงในการเดินทางสู่พระนิพพานเพราะเหตุนี้แลพวกเขาจักรู้แจ้งเห็นแจ้งพระธรรมตามความเป็นจริงในอนาคตตชาติเราพึงทำสิ่งใดถ้าเราเป็นบุคคลประเภทที่สปะทะปรม a หากว่าเราเป็นปะทะปรม a การเจริญกรรมฐานเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในกรณีนี้การเจริญกรรมฐานให้มากที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งก็เพื่อการทำให้แจ้งสัจิกิริยาและการสำเร็จมรรคผลธรรมาพิสมัยในอนาคตตอนนี้เราได้ทราบบุคคลสี่ประเภทที่กล่าวไว้ในอังคุตระนิกาย และแต่ละประเภทจะเห็นแจ้งพระนิพพานได้อย่างไรแล้วคนในยุคปัจจุบันนี้เป็นเนยยะบุคคลหรือไม่ก็เป็นปัะ h ประมะบุคคลส่วนบุคคลสองประเภทแรกไม่มีแล้วในยุคเราแม้ว่าเนยยะสามารถทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้ด้วยการเจริญไตรสิกขาแต่ปัะ h a ประมะไม่อาจตัดสรุปทําได้ในชาตินี้ โปรดอย่าเสียกำลังใจถ้าท่านยังไม่ได้เจริญสมถะวิปัสสนาโดยบริบูรณ์พระโพธิสัตว์ทรงใช้เวลาบำเพ็ญพระบารมีให้บริบูรณ์นานถึงสี่อสองไขยและหนึ่งแสนกัปจึงได้ตัดสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องใช้เวลาทั้งหมดนั้นในการแทงตลอดอริยสัจสี่เพื่อทรงบรรลุพานิพาน พระธรรมนี้ปานีดลึกซึ้งมากเราทั้งหลายพึงต้องอดทนโปรดให้เวลาเจริญกรรมฐานอย่างขยันหมั่นเพียรและไม่ย่อท้อเพราะเหตุใดผู้ปฏิบัติธรรมที่พะเอาต่อยะนี้จึงได้รับการแนะนำให้เจริญสมาธิโปรดระลึกว่าแม้พระศาสดาก่อนจะตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้ทรงเจริญสมถะวิปัสนาทีละขั้นอย่างเป็นระบบใต้ต้นพระศรีมหาโพในวันวิสาขบาูรรมีดังตัดแสดงในพยะเพรวะวสูตรต่อไปนี้พระโพธิสัตว์ทรงเจริญอาณาปานาสติจนถึงจตุทชาญดูก่อนพรามเรานั้นสงัดจากกามสงัดจากอากุศ ล, ลธรรมบรรลุปถมฌาน มีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่บรรลุทุติยชาญมีความผ่องใสแห่งจิตในกายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เพราะมีปิติสิ้นไปมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะและสวยสุขด้วยกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยสาวกทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขบรรลุจตุทัชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับสมนัตโทมนัตก่อนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุ ให้สติบริสุทธิ์อยู่